أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلى وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ر ระบ رح لي صدري ويسر لي أمري وحلو ل غ د ت من لساني الل وقولي اللهم ا ف ع, ع ن ا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما ربنا ظ ل م ن ا أ ن ق ن, ن ر ر ا وإلا تغفر لنا وترحمنا ل ن كننا من الخاسرين ربنا آتنا من ل د ن ك رحمة وحي لنا من أمرنا رشادا الحمد لله الحمدلله ขอบคุณท่านอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ได้ให้เรามีชีวิตอยู่จนกระท่ถึง3เดือนรอดจับนะครับกลางเดือนแล้วนะครับไม่อีกเพียวันก็อยังไม่ถึงกลางเดือนวันนี้ประมาณวันที่13นะถ้าจะไม่ผิดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะลัลเราต่างก็ขอดุทิศอยู่เสมอนะครับว่า เราจะได้ต้อนรับเดือนอรมดอนปีนี้ด้วยสภาพที่มีความปกติอินชาอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه ะ ت ع ا ل นะครับยังคงอยู่ในเรื่องราวของอิบาดุลราะห์มานหลังจากที่ได้พูดคุยไปสามตอนด้วยกันนะครับคุณลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอิบาดุลราะห์มานเราทุกคน ต่างก็มีความรู้สึกว่านี่คือตำแหน่งที่สูงส่งที่อัลลอฮฺสุลฮานอวาตาละได้เตรียมเอาไว้ได้เปิดโอกาสนะครับไม่ใช่เฉพาะกับบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยท่านนาบีสัลลัลลอฮะะลบรรดาสัฮาบะห์เท่านั้นแต่เราทุกคนที่มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ ก็มีโอกาสที่จะได้รับ ก, การเรียกว่าเป็นอิบาดุลรอฮ์มานถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนียดของเราเนียดเนียดไว้ก่อนนะเราเรียนอิบาดุลรอฮ์มานเนี่ยไม่ได้เรียนตัวเปล่าแต่เรียนด้วยหัวใจเรียนด้วยเนียดว่าฉันจะต้องทำให้ได้ การเนียดเนี่ยมีความสำคัญจะทำได้หรือไม่ได้แต่เราเนียดตั้งเอาไว้เนี่ยสำคัญมากเราตั้งใจจริงๆมันหัมาบิฮนาตินอ่านะดที่ อ, อ่านน บ, บิสซาล ล, ะลาะซาร์ละบอกว่าใครก็ตามที่ตั้งใจจะทาความดีแล้วเขาไม่ได้ทำก็แต่ลราจะบันทึกว่าเขาได้ทาไปแล้วหนึ่งความดีแต่ต้องตั้งใจนะไม่ใช่ ไม่ใช่จินตนาการว่าอยากทําอยากทําไม่ได้มีลงไม่ได้ไม่ได้เห็นเขาเรียกว่าการอุ่นเครื่องการสตาร์ทเครื่องเลยไม่ได้ต้องมีด้วยไม่ใช่ว่าตั้งใจอย่างแต่ไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ได้ไม่ได้พยายามนี่ไม่ได้ต้องมีความพยายามลงไปก่อนหั่มาเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่คิดอย่างเดียวหั่มาก็คือได้ลงไปทําอะไรบางอย่างและเนี่ย ถ้าสมมติว่าคุณลักษณะของอิบราฮิมามีอยู่หลายอย่างเนา ะ, ะเราทําสิ่งที่เราทําได้ก่อนไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับโอ้อิบราฮิมผู้ที่เดินบนแผ่นดินเริ่มต้นด้วยการเดินเรีนว่าเรานะะคิดถ้าจะเริ่มเี่ยจริงๆต้องเริ่ ม, เ ร, มเริ่มต้นจากอายัดแรกเลยก็ได้นะผู้ที่เดินบนแผ่นดินดูแลการเดินของเราให้ดีอย่างให้เป็นการเดินที่ เตะกบบดเวลาที่เราเดินมาให้เนียดว่ากําลังเดินแบบนี้บาดูุลรัมานอะไรประมาณ Allah, นี้อิชอัลลอฮ์นะครับนี่คือการเนี่ยนในความสําคัญมากแล้วก็เรื่องอืนอ่นๆที่จะตามมาอิชอัลลอฮ์วันนี้เราจะเริ่ม อ, อ่านตั้งแต่อายะที่เท่าไหร่ครับอเรามาถึงอายะที่ و ا ل ล ي ن لا يدعون مع الله إلهان آخر อายะที่สิบแปด เอ้สามเออหกอายัดที่68สิบแปดอ่อัลกุรอนอายัดที่68บแปดนะบ و ذ بالله من الشيطان الرجيم و ا ل ل ي ن لا يدعون مع الله إلّا آخر ولا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وَلَا يَزْنُونَ وَمَن ي َ ف ْ ع َ ل ذَلِكَ يَلْقَ أثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. إ ل ลّามَต تاب و آ و م ن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ا ي ا ل ر ح م ا و م คาบ์ว่าม ال ال ิล صالح ์ فإنّه يتوّج إلى الله م ت ا ب ًอ่าแค่น uh uh um> uh ี้ก่อนอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า อายะที sociedad, <laughs> ่แปดสิบหกหกสิบแปดหกสิบนะครับอ่าัลลอฮ์อิล่าห์นอัครวะลาญักตุลุนั้นนั ل ส์เ ل ติพาร์ Ya Allah, Allah. <coughs> ah. Karena ni, karena ni, kena laksa nak si keokong kap ibadul Rahman, ben pakatibat. Maksudnya, pakatibat, apa? ให้เดินด้วยดีเดินด้วยสุภาพดูมีละทิ้งการตะกับบดเวลาเดินเวลาพูดพูดยังไงกับคนที่มาโต้เถียงแล้วก็ลุกขึ้นมาทำไอ้บบนี้ยังกลางคืนอันนี้ภาคปฏิบัติทั้งนั้นเลยให้ดูแลการใช้จ่ายอยู่ในทางสายกลางไม่ระงีีเนียแล้วก็ไม่อะไรนะสุรุย่ยสุราย ภาคปฏิบัติจบแล้วมาภาคตรงกันข้ามกับปฏิบัติอะไรอ่ะอะภาคภาคที่ไม่ต้องปฏิบัติอ่ะภาคที่ต้องและทิ้งอัตตาสัตสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังทำนะเนี่ยนี่เป็นคำพูดของอิชยาวกนี่ในขัอตรุกะดีทำรู้ไหมเงไงยลเมื่อฟรากง จากเรื ana, ah man, af, ่องการอธิษฐานที่เราได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยถกาเราะทิเป็นในสิ่งที่เวาิดอบ้าง ibadur rahman, jatung hangkai dari apa? Jatung rawang apa? Orang yang berlakon dari ibadur rahman, peringkat pertama. Harus rawang, jangan melakukan. Orang yang tidak berlakon dari ibadur rahman, peringkat kedua. ดูอาทำอิบาดาห์กับพระเจ้าอื่นพร้อมกับ Allah ลายดะอูนะมะอัลลอฮิอิล่าฮันอาบัตความหมายสันส้นๆของอันนี้ก็คือไม่ชิริกจบเลยเราบอกไม่ชิริกเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นการปฏิบัติชิริกไม่ว่าจะเป็นการก้มรบกซุสยจูดการกราบไหว้การขอดูอาการขอความช่วยเหลือการขอความคุ้มครอง ทั้งหมดถ้าสมมุติว่าสิทอิ์อาการเชื้อสัตว์พรีอินนัซาลาตีหัวนุสุกีหัมะฮยาห์หัมะมัตีลิลลาฮิรับบิลอาลามินทั้งหมดนี้เราต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ تعالى เพียงผู้เดียวเราจะไปมอบให้กับสิ่งอื่นไม่ได้เราจะไปรวมกับสิ่งอื่นให้อัลลอฮ์ด้วยให้คนนี้ด้วยไปขอจากบางทีก็เวลาเข้าซูร่าก็ขอจากอัลลอฮ์หลังละมาพอออกจากซูรา่าไปเจอต้นไม้แปลก หัวออกมาเหมือนนกหัวออกมาเหมือนงูเหมือนนักคราชก็ไปขอจากกล้วยที่ออกมาเป็นพันหวีร้อยหวีตอนเข้าโเราใส่เขีเปียแล้วพอออกจากโเราไปเจอของแบบนั้นเป็นยังไงไม่ได้อันนี้คือเข้าข่ายต้องละสิ่งอย่างเดรับชิริชิริคือแบบอย่างที่สุดอัครุลกบอ ئ ر บาปใหญ่ที่สุดซึ่งอัลลอฮฺสุบตอจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดถ้าสมมุติคนคนนั้นมีชีริกอยู่และเสียชีวิตในสภาพที่ชีริกพอถึงวันอาคิีระหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์อัลลอตอลประกาศเลยว่าหมดสิทธิ์จะทำความดีมามากแค่ไหนจะบริจาคมากแค่ไหนจะละหมาดเยอะแค่ไหนจะดูหน้าตาเป็นทุ๊กรูเป็นอะไรมาใส่ต๊ราคาอะไรยังไงไม่ ไม่ไม่เกี่ยวถ้ามีชีริกอยู่แลตายภายใต้ชิริกหมดสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์ของเาตยแล้อินนัลลอฮะลาุฟิรุลิรกบิยัฟิรุมาดูนา ل ك ลิมยิชาอันนี้ต้องระวังต้องระวังมากๆนะครับจาเป็นต้องพูดเลยในหนึ่งในคุณลักษณะของอิบารุรมนก็คือไม่ชีริก و ลีนินลาญูนมะอัลลอฮีอีลาฮันอค วะลายัคตูลูนอันนัฟซัลลาทีหัรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักก์อันที่สองบาปที่ใหญ่รองลงมาแต่ไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้ชีริกนะบบนี้การค่าชีวิตใดชีวิตหนึ่งโดยปราศจากความเป็นธรรมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปค่าคนอื่นได้การที่เราไปค่าคนคนหนึ่ง ในสภาวะปกติเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าใครได้คนที่มีสิทธิ์จะจะได้ที่ที่ที่จะที่จะอะไรนะคนที่มีสิทธิ์ในชีวิตที่จะทําเนี่ยมันมีมันมีระบุชัดเจนพวกอะรบ้างและไม่ใช่ว่ามีระบุชัดเจนและไม่ใช่ว่าจะไปทํากันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสารเตีย้ยไม่ได้อะไรบ้างหาสาเหตุที่ทํา การการประหารหรือว่าการเอาชีวิตคนอูดคนอื่นด้วยความเป็นธรรมอะไรบ้างที่อนุญาตอะอนุญาตให้ไปเอาชีวิตคนอื่นได้เนี่ยให้ฆ่าคนอื่นได้นี่มีอะไรบ้างโดยปกติแล้วคือไม่ได้แต่มีสาเหตุที่อนุญาตอยู่อะไรบ้างอนัสบินนัฟซีวันนัสซูบินนัฟซีชีวิตต่อชีวิต การฆ่าตามการการประหารชีวิตคนที่ฆ่าคนอื่นเข้าใจไหมครับสมมตุตินายกอไปฆ่านายขอศาลก็ต้องในอิสลามโทษของอิสลามใน บ, บทอนุญาโตชอิสลามก็คือต้องจับนายกอมาแล้วก็ต้องประหารให้ตายเพราะว่าเขาไปเอาชีวิตนายขอมาแต่ถามว่าครอบครัวนายขอจะไปยิงนายกอเลยได้ไหม ไ, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าเอา้านายกมามาฆ่าลูกชายฉันฉันเป็นพ่อของนายนายขอใช่ไหมฉันจะเอาปืนไปยิงนายกเลยได้ไหมดูเหมือนว่าจะได้แต่ไม่ได้เลไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ต้องอะไรต้องให้สารชร ي อาตต้องให้คนที่เป็นผู้พิพากษาเป็นคนจัดการเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัดการเขาไม่มี ถึงแม้ว่าเราเป็นเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ก็จริงเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ญาติของผู้ตายเป็นเจ้าของสิทธิ์สิทธิ์ที่จะให้ศารพิพากษาค่าเขาหรือสิทธิ์อีกสิทธิ์หนึ่งก็คือสิทธิ์ที่จะให้อภัยหรือสิทธิ์ที่จะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะค่าชดเชยแล้วแต่เลือกเอาศาลก็จะมีในบทบัญญัติถ้าเป็นประเทศอิสลามเนี่ยเขาจะมีศาลชาริอัตเขาจะมีโต๊ะกรดีที่ เอาเอาอายะ์อัลก ka ุรอานนี bas, wa, er ่มาตัสินกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฆ่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่ามุสลิมที่มีศรัทธาต่ออัลลุบะาลบางทศนะเนี่ยบางทศนะนะครับบางทศนะอย่างเช่นอบุอบบสรลฮอัมนีมีทศนะว่าไม่ได้รับการอภัยอันนี้หนักนะลเคียนกับชีริกเพราะฉะนั้น ในจำนวนศาศนะนะครับถึงแม้ว่าจุมพุอุลามะส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่าการฆ่ากันก็สามารถที่จะได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺตาลาถ้าเตาบัดกลับตัวและได้รับการลงโทษตามบทบัญญัติของอิสลามแล้วเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากพวกเราเนี่ยเห็นชีวิตของคนอื่นเป็นเรื่องเล่นสุภาอัลลอฮ์ถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่ไม่ศรัทธาต่อร่อสุภาเราตาลามันก็เล มันก็หนักแล้วนะการไปฆ่าคนอื่นนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นระหว่างมุสลิมด้วยกันเองโอ้โหมันยิ่งหนักเข้าไปอีกะอยาดบิลลลฮวะลเตอิลลบิลลเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะระวังให้ดีละละวลีนลวลีนลยกลนันนัรมัลลอัลล تعالى บอกว่าห้รมัลลีวิตเนี่ยได้รับการหารอมจากอัลล หมายถึงว่าเราจะไปฆ่าคนอื่นอารามอัลลอฮ์ตาลาทำให้ชีวิตเนี่ยมีศักดิ์ศรีมีเกียรติของแต่ละคนเนี่ยเราจะไปล่วงล้ำละเมอของคนอื่นไม่ได้นะครับอิลาบิลฮักนอกจากด้วยช่องทางที่เป็นธรรมตามช h a r i a ของอัลลอา์ سبحانه แะตาลาเท่านั้นอันที่สามอัชฉยากรรมอันที่สามวะลายัจญูนอัลลอ์อักบรลาฮาวะลาวตอิลลาบิลลา และบันดาคนที่ไม่ผิดประเวณีและอิลลฮ่อิลล allah รองลงมาอันดับที่สามที่เป็นผิดความผิดใหญ่หลวงเป็นความอายนะที่อัลกุรอานที่อัลลอฮ์มูอลเตือนเราท่านนาบีก็เตือนอย่างมากและเกินก็คือการผิดประเวณีการผิดเพศ والعياظ بالله ِ م ن ْ زَالِكَ ซึ่งดูแล้วในสมัยปัจจุบันลา حول ولا قوة إلا بالله กลายเป็นกลายเป็นอะไรนะเ้าเรียกนะกลายเป็นเสรีภาพกลายเป็ น, เ, ปนเรื่องปกติกลายเป็นไม่รู้จะพูดยังไงซึ่งมันสอดคล้องสอดคล้องกับที่บางขดิษได้บอกว่าพอถึงใกล้วันกิยามัต โลกยุคสุดท้ายการผิดประเวณีจะแพร่กระจายุลัยอัลลอฮฺอาบินะอฺซาลิละ حولو ل ا قوة إلا بالله أستغفر الله وأتوب إ ل ه اللهم أعزنا من هذه الكبائر اللهم أعزنا وأولادنا ورياتنا وجميع المسلمين من هذه المعاصي والكبائر ل قالوا ن ا ح ب ف الله سبحانه وتعالى ให้ทรงปกป้องเราลูกหลานของเราตลอดไปนะครับลูกหลานของพี่น้องมุ้สิมทั้งหมดตลอดไปให้พ้นจากความชั่วต่างๆที่เป็นแทบีหรอกเป็นบาปใหญ่เหล่านี้ชีริกก็ดีการละเมืดชีวิตชีวิตของคนอื่นก็ดีการไปผิดประเวณีวะลายาตบิลละไม่เอานะครับอัสสาวฮฺมันมันก่อให้เกิดความหายน ะ, ะทั้งสิน้นแต่อัษฎ์อันดีบอกว่าอย่างไง ว่านสัตตะอัลทำไมอัตาลตะอัลจึงเอาสามอย่างนี้เอาแค่สามอย่างมาหรือเอาสามอย่างนี้มาอยู่ในอายัดเดียวกันถามว่ายังมีอีกไหมความผิดที่เป็นบาปใหญ่อื่นๆมีอีกไหมก็มีนะแต่มันอาจจะเป็นกิ่งก้านสาขาของมันจะกลับไปไปสู่สามอย่างนี้อ่า อัลชิร์ฟัลชิร์ฟะซาดุลอาดิยันฟะซดีบัวฟัลชิร์่ฟะซาดุลอาดิยนชิริกเนี่ยทำลายศาสนาทําลายศาสนาทําลายรากฐานของศาสนาทํานลายรักฐานของความเชื่อเพราะฉะนั้นถ้ามีอย่างอื่นที่เป็นพฤติกรรมต่ําๆลงมาอีกเป็นบาปใหญ่เหมือนกันถ้าไปทําลายศาสนา เราก็ไปจัดหมวดให้อยู่กับกับหมวดนี้หมวดแรกหมวดที่ทำลายสร้างความหายนะกับรากฐานของศาสนาวลกัตลูกีฮิเฟซาดุลอับดัลสวนการฆ่ากันเนี่ยสร้างความหายนะกับชีวิตกับร่างกายเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สร้างความ สร้างความหายนะไปทำลายชีวิตคนอื่นแม้ว่าจะไม่เป็นการฆ่ากันแต่แค่ไปต่อยเขาหรือไปทำความเดือดร้อนให้กับเขาก็อาจจะจัดอยู่ในหมวดนี้อาจจะจัดอยู่ในหมวดนี้ทำลายาร่างกายของคนอื่นทำลายร่างกายทำลายชีวิตของคนื่นวะซีน่าฟีฮิฟซาดุ ع อากรอส่วนการผิดประเวณีนั้นเป็นการทำลาย เกียรติของของอีกฝั่งหนึ่งหรือบางทีทาลายเกียรติของตัวเองทำลายเกียรติของอีกของคนที่เราไปทำผิดจีนาด้วยทำลายเกียรติของวงตระกูลทำลายนะครับหรือบางทีอาจจะทำลายถึงท่านในในใ น, ในสมัยอดีตจะบอกว่าอิสลามมีความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้การนับ ว่าใครเป็นทายาทเราอ่ะิาล ม, มีความละเอียดอ่อนมากในสมัยเจเลียเวลาที่พวกมุชริกีนไปทำผิดจินาเนี่ยแล้วผู้หญิงตั้งท้องแล้วไม่รู้ว่ามีใครเป็นพ่อของลูกอัลลอฮฺอักบารอัสตัลกุรอลลาฮ์ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกนี่แหละทำลาย ทำลายสิ่งที่มันควรจะเป็นระเบียบสังคมที่เอาล็อกสบภาวุตตะอัลละกาหนดมาเอาไว้อย่างเรียบร้อยถ้าไปเกิดความผิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วเกิดท่านท้องไม่รู้ว่าเป็นลูกของใครเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้หลับนอนแค่คนเดียวนะอัลุซุบิลลาฮิมิมแตะเลยสมัยก่อนเขาไม่มีตรวจดีเออสมัยนี้อาจจะอ้างว่าเออตรวจดีเอแล้วก็บอกว่าคนนั้นคนนี้ใช่ไหมแต่มันก็ยังสร้างความปันป่วนวุ่นวายไม่จบสิ้นเพราะ เอนี้เอดเดียในอดีตถ้าผู้หญิงตั้งท้องขึ้นมาปุ๊บอ่าก็จะมีการเรียกผู้ชายทั้งหมดที่นางเคยไปมีความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ให้นางเลือกคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้นางดูว่าไม่ได้ให้คลอดลูกออกมาก่อนแล้วดูว่าลูกหน้าตาเหมือนใครไม่ไม่ต้องเลยนะครับในสมัยก่อนปลาเกือนในสมัยย่าเฮียระยะแต่ก่อนให้นางเป็นคนชี้เลยว่าอ่ะคนนี้แหละเป็นพ่อของลูก ก็ยังดีที่มีความรับผิดชอบอยู่เดี๋ยวนี้ถ้ามีอะไรกันแล้วถ้าจะหายไปก็หายไปเลยวะละยาดูบิน ล, ละแต่แซ้ดุลอาละทำลายหมดไม่มีระเบียบทางสังคมที่มันสร้างความสันติสุขและลูกที่ออกมาไม่มีไม่รู้จักว่าใครเป็นพ่อของตัวเองจะใช้ชีวิตยังไงไม่มีความรู้สึกอบอุน่นแล้วกลายเป็นภาระของสังคมกลายเป็นเด็กมีปัญหา แล้วเติบโตขึ้นมาไม่มีคุณภาพวัลัยยาดูบินลาลาเขาสังคมปั่นป่วนเพราะเรื่องเรื่องที่เราไม่คิดให้มันไกลอย่างไงเพราะฉะนั้นชาริอะห์ของอิสลามปิดปิดปิดปิ ด, ปดสิ่งที่มันจะทําลายทําลายศาสนาปิดทําลายชีวิตปิดทําลายระเบียบสังคมทําลายเกียรติของสังคมทําลายเกียรติของตัวเองทําลายเกียรติของครอบครัวปิดพฤติกรรมต่างๆที่จะทําลาย นำความสูญเสียมาให้ Allaiyadu billah La khawla walaqo a t i อันนี้คือบาปใหญ่ทั้งสิ้นนะครับ La ilaha illallah La ilaha i l ถามว่าบาปใหญ่เหล่านี้เป็นยังไงในวันอัครา ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك يلقى ثمن ใครก็ตามที่ปฏิบัติสิ่งดังกล่าวเขาก็จะต้องเจอกับการลงโทษการลงโทษที่ว่านี้ยังไงบ้างยุดาวัสฮุลอาซับโยมัลกิยามอัลลอลาจะเพิ่มการลงโทษของเขาในวันกิยามัตวยัคลุดฟีฮิมุฮานาและเขาก็จะต้องอยู่ในการลงโทษในนรกนั้นอย่างถาวรในสภาพที่ ตกต่ำในสภาพที่ไร้เกียรต์ในสภาพที่อภัอยยศอยู่ในนรกอย่างทา่วเนี่ยเฉพาะบาปชิริกนะอันนี้มีการอธิบายจากอุลมามะขลุ <ت ص في ق> ่ยนุลฮุลูดลิมัน فعلهاكل ุ่ห์สัญญาที่อัลลอฮฺประทานแต่าละบวาวจะต้องอยู่ในนรกตลอด ก, การหมายถึงคนที่ทำซ้ำอย่างนี้ตาชิริกด้วยมีชิริกอยู่เนี่ย ถ้ามีชีริกอยู่จะไม่ทาอีกสองอย่างหนึ่งก็ต้องอยู่ในนรกหมดตลอดการนะครับแต่ถ้าทำสามอย่างเนี้ยยิ่งเข้าไปใหญ่ ا ل و ع ي د ف ي د بالخلود لمن فعلها كلها سابتة لا شك فيه و ك ذ ا ل ล الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة لا صنيع จาอัลลอฮฺสุบานาะจ่าละว่จต้องเจอกับการลงโทษอย่างเจ็บปวดสําหรับบาปแต่ละอย่างด้วยอาจจะไม่ถาวรแต่แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างหนึ่งสองสามจะทําอย่างที่หนึ่งอย่างเดียวจะทําอย่างที่สองอย่างเดียวจะทําอย่างที่สาอย่างเดียวล้วนแล้วจะมีโทษหนักหมดเลยทั้งทั้ง3อย่างถ้ามีทั้งถ้าทำทั้งสามทำอย่างพร้อมกันดับเบิล้าไปอีกคูณเข้าไปอีกเวลายาบุบิลลาฮฺมิซ่ แต่ความเมตตาของพระุบฮานะวะตอลตราบใดที่ยังไม่ตายยังมีโอกาสอยู่อิลลมันวามาละล ص ا. ف ا ل ل ه ا ل ل ه ا ل ح م ا ل ل ه أ ك เนี่ยเป็นความมหศ เป็นความเมตตาจากอัลลอฮซุฮานอาที่ทรงประทานให้กับบรรดามนุษย์ทุกคนทำบาปใหญ่นะทำชีริกฆ่าคนอื่นเป็นทำซีนามีทางออกไหมมีทางออกของมันก็คืออิลลามันตาบะยกเว้นคนที่เตาบัตเตาบัตจากชีริกคืออะไรก็ต้องเข้าอิสลามต้องกล่าวปฏิญาณใหม่ นี่คือเตาบัตจากซีริกเตาบัตรจากการฆ่าคนอื่นต้องทำยังไงต้องไปมอบตัวแล้วก็ต้องไปบอกกับเจ้าของทายาทที่เราไปฆ่าเขาไปบอกนะแล้วให้เขาเป็นคนตัดสินการเตาบัตรของคนที่ถ้าไม่มีโอกาสเตาบัตรสมมุติไม่มีโอกาสที่จะไปบอก อ, อันนี้อันนี้แหละที่อุณั บ, บัาิเป็นห่วงเราแต่ทัศนะของยมพูดเนี่ยก็ยังโอเคยังเปิดโอกาสอยู่ว่า ให้คุณเตาบัตรอย่างจริงจังจริงใจจากความผิดที่คุณไปเคยทำคนอื่นมาก่อนอินชาอัลลอฮฺวางว่าอัลลอฮาจะาแต่ลจะอาภัยให้กับเจ้าในวันเคยียามนเพราะว่ามันไม่ถึงขั้นชีริกเตาบัตรจากการจีนาก็เช่นเดียวกันทั้งหมดนั้นมีช่องทางที่จะให้กลับตัวได้ทั้งสิน้นเตาบัตรตามเงื่อนไขต่างๆที่จาเป็นต้องเลิกทาความชั่วอย่างจริงจังไม่ทาอีกแล้ว ตั้งใจจะไม่ทำอีกต่อไปคืนสิทธิ์ทั้งหมดให้กับคนที่เป็นเจ้าของนะครับและอว่ามีลาซอลิฮทำความดีเตาบัตรแล้วต้องตามด้วยการทำความดีด้วยเพื่อเป็นการรับประกันว่าฉันเตาบัตรจริงๆไม่ใช่เตาบัตรหลอกๆไม่ใช่เตาบัตรแบบโกหกโกหกเตาบัตรอย่างเดียวแล้วก็กลับไปทำอีกความดีก็ไม่อยอมทาอย่างนี้ ไม่ใช่นะเงื่อนไขของมันก็คือว a amilasalih ครับเกิดอะไรขึ้น فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات Allah subhanahu wa taala จะเปลี่ยนความชั่วของพวกเขาทั้งหมดของเขาความชั่วทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยให้เป็นความดีหมดเลยพวกเราเข้าใจว่าอย่างไร เปลี่ยนความชั่วของเราที่เราเคยทําที่เคยฆ่าคนอื่นที่เคยดีนานี่นะหรือที่เคยทําผิดมา่เสียดอะไรต่างๆต่างตอนแรกเราตาละถ้าเราเตาบัตรด้วยความจริงใจเตาบัตรกับปากและตามด้วยอามันการกระทาของเราแล้วเป็นการรับประกันว่าเราเตาบัตจริงๆเนี่ยเอตอตาละจะเปลี่ยนเลยหรือที่เราเคยทําผิดกับที่เราเคยทําผิดมาก่อนเนี่ยจากที่มันเป็นบาปอยู่ดีๆมันกลายเป็นบุญเลยหรือ ใช่ครับมีทัศนะที่บอกว่าอย่างนี้จริงๆอุลามะมีความเห็นว่าอย่างไรกับท่อนเนี้เปลี่ยนความชั่วของคนคนหนึ่งที่เคยทำบาปมาเนี่ยจากที่เป็นบาปอยู่ดีๆสุภาลนวลนี่คือความมหัศจรรย์ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอัลลอ์สุบฮานะวะตะละละอิล il ัยฮิลลอลลอมยิ่งใหญ่มากการเต่าบักสำหรับมุสลิมเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก ของที ánh, ่มันเลวชัดๆถ่าเตาบัานแล้วมันกลายเป็นของดีได้ด้วยความะสมของอัลลอฮฺสุบัานอวตารในทศเสีนของอัชชอกานเนี่ยยกทศนัมาประมาณสักห้าหกทศนะที่พูดถึงอายนี้อันที่หนึ่งลกาล่าเนะอเมนว่ามันจเปลี่ยนเศษเสี้ยที่ัสนัทอันนั้วจะไม่พูดกันที่ม วอยุบบิทและโฮมมาแค่นะฮะต่อคําว่าเปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดีเนี่ยหมายถึงว่าเพระตระลึจะลบบาปของเขาจนหมดสิ้นและประธานเตาฟีกให้คนคนนั้นทําความดีทดแทนสิ่งที่เขาเคยทําความชั่วมาไม่ได้เปลี่ยนความชั่วเลยมายแต่ว่าแต่หมายถึงลบความชั่วออกแล้วก็ไป ปลุกใจเขาหรือไปดนใจเขาให้เขาทาความดีทดแทนความชั่วที่เขาทาอันนี้คือความเห็นที่หนึ่งความเห็นที่สองอินนาม ا ل ت ب د ي ม في ا น د ن ي ا ي ب د ตจะปิดที่เขาเคยทำความผิดปิดไม่ให้ทาอีกที่เขากิ อะไรนะทีเ่เขาเคยสงสัยในศาสนาอัลลอฮตะละพระองค์จะปิดไม่ ang, ไมีแล้วคือจะประทานเตาปิให้เขากลับเนื้อกลับตัวอันนี้คือความเห็นที่สองความเห็นที่สามเลยสยจารุ مكان السيئة الحسنة ولكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة หมายถึงอัลลอฮ์สลอมตะละจะให้เขาเตาบัดตัวและพร้อมๆกับการเตาบัดตัวก็คือ ทำความดีกลบความชั่วของเขาที่เขาเคยทำ وقيل المراد وقيل إن السيئات تبدل بحسنات. อัลลอฮฺอัลลออักบรอันนี้แหละนความเห็นที่สี่ความเห็นที่สี่นี้บอกว่าไม่อายันี้พูดถึงว่าไอ้ที่มันเป็นบาปเนี่ยอัลลอฮเปลี่ยนให้เป็น ไอ้เป็นอะไรไอ้เป็นความดีเลยหมายถึงบันทึกว่ามันเป็นความดีเลยในะสมุดบันทึกถ้าเขาเต้าัตบัตตัวจริงๆอัลลอักบรอัลลอักบาร์ความหวังบอก้วความเมตตาขอ ง, งมมอัลลอฮฺ س ب ละกว้างขวางเสมอรอเราเท่านั้นเองว่าเราจะต้าบัตตัวหรือเปล่านะครับอัสลามุะลลอฮฺวะอาตุบิอิลลาอิลาฮฺอิล a l h وقيل ا ل م ر ا นะว่า nah, قيل التبديل عبارة عن الغفران أي يغفر الله لهم ل ك ا ل س ي ئ ا لا أن ي ل س ن ا ء บางคนก็บอกว่าการเปลี่ยนตรงนี้หมายถึงการที่อัลลอฮฺให้อภัยไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนบาปให้เป็นบุญไม่ใช่ว่ ي ل المراد ب ت ب د ي ل أن ي و ف ق أ ض د ا د ما سلف منه การที่อัลลอฮฺประทานต و ي ق ให้เขาทาสิ่งที่ตรงกันข้าม บาปที่เขาเคยทำาให้เขาทำดีความดีที่สามารถลบล้างบาปที่มันเป็นคู่ตรงข้ามกับกับบาปที่เขาทำนะครับซ้สำสองครั้งอายักเตาบัตเนี่ยซ้ำสองครั้งเพื่อที่จะเน้นและรับประกันว่า Allah จะให้อภัยอย่างแน่นอนสำหรับคนที่เต้าบัตนะครับว่ามันบใครก็ตามที่เตาบัตและย้งอีกครั้งหนึ่งว่ามิลาสาเหห์ต้องอมามัมสาเหห์ด้วยไม่ใช่เตวาบัตกับปากเดียวตากุอฮ์ลสเต้ากรอฮลาอลาแต่การประทำไม่ไม่เป็นสักขีพยานให้กับสิ่งที่พูดแสดงว่าไม่ใช่เตาบัตที่มีประโยชน์ถ้าแบบนั้น فإنّه يتوب إلى الله يتوب بذلك إلى الله م ت ا ب أي يرجع إليه ر ج و ع ا ص ح ي ح ا قوياً ใครกตัมใครกตที่ตาจจังมที่าต้อตต้ออง่างจรงจงอ่าอ้ทาระ่กกะกะตาะ้ะตตกตตาะาอต ใครก็ตามที่เตาบัตรกับลิ้นกับปากของเขาอย่างเดียวแต่ไม่ได้แสดงออกด้วยการประําม้วยอเมรแสดงว่าการเตาบัตรนั้นเป็นเตาบัตรที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นอัตบาลเริงจึงต้องทวนอีกครั้งหนึ่งให้เราได้จำเอาไว้นะครับว่าแม้ว่าบาปที่เราทำมันจะใหญ่ขนาดไหนาารัฐลายังเปิดประตูเตาบัตรให้กับเราอยู่เสมอ แต่การเตาบัตรของเราต้องเป็นเตาบัตรที่จริงจังเป็นเตาบัตรที่แท้จริงไม่ใช่เตาบัตรปลองๆไม่ใช่เตาบัตรที่เหมือนกับอะไรนะเขาเรียกอะเตาบัตรเหมือนกับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเตาบัตรที่ไม่ได้ออกมาจากหัวใจจริงๆไม่ได้เกิดความรู้สึกเสียใจจากพฤติกรรมที่ตัวเองทำแน่นอนว่ามันจะไม่มีประโยชน์สาหรับบุคคลที่ พมพิมา .والعياذ بالله من ذلك. بال นะจ๊ะ ا อ๋นะมูชาลาห์นะฮับนะมรับทนี .والله تعالى عالم.وفقنا الله.وأياكم لما يحب ويرضى.والصلاة ا ل س ل ا م إ ل على نبينا محمد.وعلى آله و ص ح ه وسلم.سبحان ربك ر, ر العزة.أما يسيفون.وسلام على ا ل م س ر ي ن الحمد لله رب العالمين.سلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا